ในธรรมจะแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้าบทว่าอารหังตามความหมายที่สองว่าผูกำจัดฆาสึกผูทำลายฆาสึกอันฆาสึกนั้นที่เป็น ฆ่าศึกศัตรูปัจจามิตรทั้งหลายเมื่อยกเข้ามาก็ย่อมทำลายล้างชีวิตร่างกายทรัพย์สินย่อมกดขี่บังคับขับใสให้เป็นทาสสิ้นความเป็นไทย ข่าศึกัตรูจึงเป็นภูเบียดเบียนทำลายต่างๆให้บังเกิดความทุกข์เกิดร้อนดังที่ปรากฏอยู่ในโลกนั่นเป็นศัตรูภายนอกเป็นข่าศึกภายนอกเพราะฉะนั้นมู่ชนที่อยู่กันในโลกนี้รวมกันเป็นประเทศชาติ ยิงต้องมีการป้องกันมีการต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายมิให้พ่ายแพ้เพราะถ้าพ่ายแพ้ก็จะต้องถูกทำลายล้างหรือว่าถูกกดฮีคีข่มเห ง, บ, งบังคับขับไสต่างๆ ต, ต้องตกเป็นพาส พระพุทธเจ้าทรงกาจัดขาสศึกหมายถึงทรงกาจัดขาสศึกภายในคือกิเลสพร้อมทั้งบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเพราะกิเลสได้สิ้นเชิงด้ดยว่ากิเลสนั่นชื่อว่าเป็นขาศึกซึ่งเป็นภูทําลายล่าง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 หรือที่เรียกว่าตันหาความดิ้นรนทยานยากทำให้จิตใจเดือดร้อนเหมือนยังกอไฟขึ้นในใจเผาใจตนเองฉะนั้นจึงเรียกกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นอัคีคือไฟดังที่เรียกบ่กไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะใน อาทิตตปริยายสูตรของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นเทศนาครั้งที่สามเราฉะนั้นอิเลตเมื่อเกิดขึ้นก็เหมือนอย่างเป็นไฟที่เผาจิตใจเหมือนอย่างคาศึกภายนอกยกเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองทำจิตใจให้ไม่เป็นสุขและ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 จนถึงระหว่างประเทศเป็นสงครามระหว่างประเทศจนถึงเป็นสงครามโลกว่าฆ่าฟันกันล้มตายนับแสนนับล้านคนทาลายล้างบันเดินทรัพย์สมบัติต่างๆของกันและกันเหล่านี้ก็เกิดเพราะกิเลสทางนั้นยิ่งให้ก่อกรรมซึ่งเป็นการบิดเบียนกันดังกล่าวถ้าหากว่า ไม่มีกิเลสเป็นเหตุก่อขึ้นความเป็นข้าศึกศัตรูกันภายนอกก็จะไม่มีความเป็นข้าศึกศัตรูกันภายนอกที่เรียกว่าข้าศึกว่าเรียกว่าศัตรูกันนั้นก็เกิดจากกิเลสนี่แหละทงะังนั้นเพราะฉะนั้นตัวข้าศึกที่แท้จริงของโลกของชาวโลก ของแต่ละคนจึงอยู่ที่กิเลสนี้เองกิเลสนี้เองเป็นตัวคาสุดสำคัญซึ่งบังเกิดขึ้นในจิตใจและกิเลสนี้เองย่อมกดขี่คมเหงบังคับขับใสโลกหรือชาวโลกให้กอบกรธทย์ กรรมซึ่งเป็นเครื่องเบียดเบียนกันดังกล่าวตึงยกตัวอย่างมากล่าวนั้นหรือจะยกตัวอย่างศีลห้าว่าการผิดศีลห้าทั้งห้าข้อนั้นก็เกิดมาจากกิเลสทั้งนั้นการผิดศีลแปดก็ดีศีลสิบศีลสอง้อยยี่สิบเจ็ดก็ดีหรือว่าเรียกอย่างอื่น วจุลศีนมัชฌิมศีนมหาศีนก็อรุ่นเป็นเพราะกิเลสทั้งนั้นซึ่งบังคับขับใสจิตใจของบุคคลทั้งหลายให้ประกอบกระทำไปตามอํานาจของกิเลสและสัตว์บุคคลทั้งหลายก็ลุกอํานาจของกิเลสเป็นธาตุของกิเลส เป็นธาตุของตันหาคือความดิ้นรนทยานยากต่างๆในข้อนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ากิเลสหรือตันหาดังกล่าวเป็นนายที่ครอบงำบังคับขับใสสัตวโลกหรือชาวโลกหรือชาวมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นบุทุชน ยังหนาแน่นย่ด้วยกิเลสให้ประกอบบาปอกุศลทุจริตต่างๆให้เบียดเบียนกันต่างๆดูไม่วางเวทแม้ว่าในภายนอกจะเข้าใจกันว่ามีอิสระเสรีไม่เป็นทาสของใคร แต่เมื่อพิจารณาให้ดีที่จิตใจแล้วก็จะเห็นว่าส่วนมากนั้นยังลูกอำนาจของกิเลสของตัณหาเป็นทาดของกิเลสเป็นทายของตัณหาดูโดยมากทั่วไปไม่มีอิสระเสรีของจิตใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในโลกนี้ เมื่อยังเป็นโลกของบุธชนคนที่มีกิเลสหนาจึงกล่าวได้อย่างถูกต้องต่อสัจจะคือความจริงเมื่อต่างเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหากันอยู่ทั่วไปก็ะฉะนั้นจึงได้มีความคิดที่เป็นตัวเจตนา จงใจที่จะทําลายล้างซึ่งกันและกันที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งแต่ในระหว่างบุคคลในระหว่างหมู่ในระหว่างประเทศจนถึงในโลกทั้งหมดหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้เพราะว่าไม่มีอิสระเสรีที่แท้จริงเมื่อยังเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของตัณหาอยู่ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น จะต้องเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นกิเลสนี่แหละจึงเป็นตัวขาดศัตรูปัจจามิตรที่แท้จริงของบุคคลที่ยังมีเลดอยู่ด้วยกันทางนั้นซึ่งกิเลสนี้ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า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 กับกิเลสเพราะฉะนั้นยึงกลายเป็นาธาตุของกิเลสดังกล่าวและกิเลสก็เข้าเกาะ อ, อยู่กับจิตเหมือนอย่างข้าศึกศัตรูในภายนอกในโลกจึงยกเขามายึดประเทศใดประเทศหนึ่งไว้ได้ก็เข้าครอบครองประเทศนั้นทำให้ ประสบในกรณ์ของประเทศนั้นต้องตกเป็นทาสและก็ครอบครองอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยกิเลสก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นอาคัร น, นุกัตคือเป็นแขกเป็นภูที่เข้ามาอยู่ในจิตใจก็เกาะอยู่กับจิตใจจึงเรียกว่าอาสวะที่แปลว่า หมักหมมเรียกว่าอนุัยที่แปลว่านอนจมอาสะวะนั่นแปลว่าดองก็ได้เหมือนอย่างเครื่องดองของเมาซึ่งมปรุงเข้าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสุราเป็นเมรยัยทำให้เมากิเลส ท, ที่เข้ามาดองใจอั น, นเรียกว่าอาสะวะ หรือเรียกว่าอนุัยที่แปลว่านอนเนื่องก็เช่นเดียวกันก็มานองใจหักห ม, มใจให้ใจเกิดความเมาเป็นตัวอวิชชาคือความไม่รู้อันที่จริงนั่นจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นวิญญาณธาตุคือเป็นธาตรู ตรัสว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดพองและตรัสว่าเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือมีความผุดพองอยู่ในตัวมีความรู้อยู่ในตัวแต่ว่าเมื่อถูกกิเลสเข้ามาเป็นอาสวัตนองจิตก็ทําให้จิตนี้เมาทําให้ความรู้เป็นความรู้ผิด เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องอันนี้แหละยึงเรียวกวิชาที่เราไม่รู้ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรอะไรรู้แต่ว่าเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิดเพราะเหตุว่าถูกอาสวะเข้ามาดองให้เมาเหมือนอย่างคนเมาก็ทำให้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 จึงเรียกว่าโมหะความหลงมีอยู่เป็นประจำและอันนี้แหละก็เรียกว่าอาวิชชาสะวะอะวิชชคืออวิชชาและนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงสแสดงเอาไว้ว่ากิเลสที่ดองจิตนั้นซึ่งมีอวิชชาเป็นข้อสาคัญอันเรียกว่าอาวิชชาสะวะนั้นเมื่อมีอวิชชา จึงมีราคะคือความติดก็ติดอยู่ในกิเลสนั่นแหละเรียกว่ากามาสะวะหรือเรียกว่าราคานุสัยกามาสะวะอาสะวะคือกามที่แปล ว, ว่าความใคร่หรือความรักซึ่งเป็นความรักใคร่ต้องการ รเรียกว่าราคานุสัยกิเลส ท, ที่เป็นอนุสัยคือที่นอนเนื่องอยู่คือราคะความติดใจคือความติดเหมือนอย่างสีที่ยอมผ้าสีก็ติดผ้ากิเลสก็ติดอยู่กับใจใจก็ติดอยู่กับกิเลสและภาวะสวาสวะคือพบและ ภาวะสวะอาสวะคือพบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งตนแต่เป็นเราเป็นของเราด้วยอำนาจของความยึดถือและเมื่อมีเป็นเราเป็นของเราก็ต้องมีความกระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปฏิคานอนุัสอนุสัย อิเลตที่นอนจมอยู่คือปฏิฆะความกระทบกระทั่งเพราะว่าเมื่อเป็นเราเป็นของเราอันเป็นภวาสะวะขึ้นแล้วก็ต้องมีความรักในเรารักในของของเราอันเป็นตัวกามหรือตัวราคะดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงมีปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งเพราะว่า มีอะไรที่ผิดใจอันหมายความว่าผิดต่อความต้องการผิดต่อความรักผิดต่อความใคร่ก็กลายเป็นความกระทบกระทัง่งเป็นจำนวนของความโกรธของโทสะและอวิชชานั้นก็เป็นอวิชชาุมัย อิเลสที่นอนเนื่องอยู่คืออวิชชาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รัแสดงอาสวะไว้สามิเลส ท, ที่เป็นเครื่องดองจิตหมักผมจิตคือกรมอาสวะอาสวะคือกามภ า, าวอาสวะอาสวะคือพบอวิชชาาสวะอาสวะคืออวิชชา และก็แสดงอนุสัยไว้สามเหมือนกันก็คือราคาอนุัสอนุัยคือราคาก็ตรงกันกับกามาสวะปฏิคาอนุสัยอนุสัยคือความกระทบประทังก็สืบเนื่องกันกับภวาสวะอาสวะคือพบกับอวิชานุสอันตรวอันุัสคืออวิชาก็เป็นอย่างเดียวกันกับ อาวิชาสะวะนี่เป็นกิเลสที่กล่าวได้ว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียดอันมีประจำอยู่ในจิตของบุตรชนสามัญญชนหรือของชาวโลกทั่วไปและกิเลสที่เป็นอาสะวะอนุัยเหล่านี้ดังที่ได้แสดงแล้วว่าเหมือนอย่างเป็นตะกรนที่นอนอยู่ก้นตุ่มเมื่อยังไม่ฟุ้งขึ้นมา น้ำในตุ่มก็ดูใสสะอาดเหมือนอย่างเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ความจริงไม่ใช่เพราะยังมีตะกอนนอนอยู่ก้นตุ่มเมื่อไปกวนน้ำในตุ่มให้วันไวตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาทำน้ำให้ขุนจิตก็ชันนั้นเมื่อยังไม่มีอารมณ์มากระทบ อาสุอนุไซเหล่านี้ก็นอนจมอยู่เฉยๆเก็บตัวอยู่เฉยๆไม่ปรากฏคล้ยๆกับว่าเหมือนไม่มีกิเลสทั้นเมื่อจิตนี้กระทบอารมณ์อารมณ์นั้นก็เลยเกิดเรื่องเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิต ด, ดำริ เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงอันเป็นเรื่องที่ผ่านเข้ามาทางทาวานันทั้งหกคือทางตาทางหูทางจมกูกทางลิน้นทางกายและทางมรณะคือใจอารมณ์เหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่จิตก็มากวนจิตให้วันไหว กิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยจึงฟุ้งขึ้นมายกเอาอนุสัยเป็นที่ตังราคานุสัยอนุสัยคือราคะก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นกามชันความพอใจรักใคร่ในกามหรือเรียกว่าราคาก็ได้แต่แปลว่าความยินดีหรือความกำหนัดติดใจ ปฏิคานอนุสอนุัยคือปฏิคะก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นโทสะความโกรธอวิชชาสวะอสวาคืออวิชชาก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นโมหะคือความหลงถือเอาผิดกามชันหรือราคะกับโทสะและโมหะนี้ เป็นอาการของจิตที่ปรากฏแก่ทุกๆคนคือแก่ความรู้ของทุกๆคนทุกๆคนเมื่อมีกิเลสเหล่านี้บังเกิดขึ้นก็รู้ใจของตัวเองว่บัดนี้การมาชั้นหรือราคะบังเกิดขึ้นแล้วโทสะบังเกิดขึ้นแล้วโมหะบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจึเงเรียกว่า น, นิวร ที่แปลว่ากิเลสที่กั่นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิและทำให้ปัญญาอ่อนกำลังหรือเรียกว่าปัญญฐานะคือกิเลสที่ปล้นจิตกร่ม ร, มรุมจิตเพราะบางเกิดขึ้นร่ม ร, มรุมจิตใจทำจิตใจนี้ให้ไม่สงบให้วันไหว ให้ดินร้นด้วยความรักบ้างความชังบ้างความหลงบ้างต่างๆแต่ว่าก็ยังเพียงบังเกิดอยู่ในจิตแต่ว่าเมื่อไม่สงบถูกสนับสนุนให้แรงขึ้นราคะดรือกามฉันนั่นก็แรงขึ้นเป็นตัวอภิอาอาชา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 กรรมทางใจที่ผูกไวายอากุศลอันจะก่อให้เกิดกายกรรมกรรมทางกายวัญญกรรมกรรมทางวาจาที่เป็นอากุศลสืบเนื่องกันไปการปฏิบัติผิดศีลทุกข้อปาณนาฏิบัติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าทินนทานลักทรัพย์ กาเมสุมิชาชานระพิดปิดในกามมุสาวาตผูดเท็จรวมทั้งลืมสุรามเอรัยก็ล้วนบังเกิดขึ้นเพราะกิเลส ท, ที่ปรากฏอย่างแรงคือเป็นอภิชาความโลภเพ่งเลงเป็นพยาบาทความมุ่งร้ายปองร้ายหมายล่างพลานเป็นมิชาทิฏฐิความเห็นผิดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นปาณปฏิบัติฆาตสัตว์ตัดชีวิตอธิน น, นาทานลักทรัพย์กาเมษุมีชาา้าใจประพฤติในกามมุสาวาดผูดเท็จพระพุทธเจ้าจึงเส ร, รียกตัเรียกว่ากรรมกิเลสกิเลส ท, ที่ปรากฏเป็นตัวกรรมออกมาจึงเป็นกิเลสอย่างยาบเพราะฉะนั้นความบังเกิดขึ้นของกิเลส ความลุกลามของกิเลสในจิตใจนี้จึงเป็นไปดังที่ได้แสดงมานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงกําจัดข้าศึกคือกิเลสนี้ได้สิ้นเชิงทรงกําจัดข้าศึกคือกิเลสที่เป็นอย่างหยาบได้ดุจศีลที่เป็นอย่างกลางคือเป็นขั้นนิวรณนหรือปริยุท ธ, ธานะ มันเกิดขึ้นรุมๆจิตด้วยสมาธิเนีกำจัดกิเลส ท, ที่เป็นขั้นอาสวะอนุสัยที่นอนจมมักพมอยู่ด้วยปัญญาแต่อันที่จริงนั้นแต่ละข้อนี้ที่ว่ากล่าวว่าด้วยศีนนั้นก็ต้องมีสมาธิปัญญาประกอบด้วยที่กล่าวว่าด้วยสมาธินั้นก็มีศีนและปัญญาประกอบด้วยและที่กล่าวว่าด้วยปัญญาก็ต้องมีศีนมีสมาธิประกอบด้วย แต่ว่ายกเอาข้อใดข้อหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าเท่านั้นทรงกําจัดทรงทำลายข่าศึกเหล่านี้ได้หมดสิน้นเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นภูมิอิสระเสรียอย่างเต็มที่ไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสไม่ต้องตกเป็นทาสของตันหาไม่ต้องถูกกิเลสถูกตันหาครอบงํบาบังคับ ขับไลต่างๆทรงเป็นอิสระเสรีอย่างบริบูรณ์เพราะฉะนั้นกินได้พระนาวมว่าอารหังต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสุงต่อไป